ประเภทของพระอาหารหันต์ในบรรดาทักษียบุคคลหรือพระอริยบุคคลที่ได้จำแนกแยกประเภทให้ทราบทั้งหมดซึ่งมีจำนวนมากนั้นในฐานะที่พระอาหารหันต์เป็นบุคคลสูงสุดผู้จบศิขขาเป็นอเศขะเสร็จสิ้นภาวนา เป็นภาวิตาแล้วบรรลุจุดหมายไม่มีอะไรจะต้องทำเพื่อประโยชน์ตนอีกต่อไปเป็นผู้มุ่งบำเพ็ญป ร, รัฐญะเพื่อประโยชน์สุขแห่งพระหูชนเพื่อเกื้อการุนแก่ชาวโลกจึงควรแยกออกมาแสดงให้เห็นชัดเจนเฉพาะเป็นหมวดหนึ่งพระอรหันต์ซึ่งมีทั้งหมดสองประเภทนั้นแยกออกไปโดยคุณสมบัติพิเศษที่ได้และไม่ได้ พร้อมทั้งความหมายสรุปอีกครั้งหนึ่งดังนี้พระอรหันต์ประเภทที่หนึ่งพระปัญญาวิมุตตคือผู้หลุดพ้นด้วยปัญญาได้แก่ท่านผู้มุ่งหน้าบําเพ็ญแต่วิปัสนาอาศัยสมถะเพียงใช้สมาธิเท่าที่จำเป็นพอเป็นบาตรฐานของวิปัสนาให้บรรลุอาสวัคยายาณเท่านั้นได้สมถะไม่เกินรูปฌานสี่ไม่มีความสามารถพิเศษเช่น เข้านี้โรดสมาบัติไม่ได้ไม่ได้โลกิยาอภิญญาห้าเป็นต้นจำแนกได้ดังนี้ก็อ่อพระสุขวิปัสสกะผู้เจริญวิปัสนาล้วนได้สมาธิถึงระดับฌานต่อเมื่อถึงขณะแห่งมรรคก็ ข, ขอพระปัญญาวิมุตตผู้ได้ฌานสี่อย่างน้อยขั้นหนึ่งก่อนแล้วจึงเจริญวิปัสนาที่ให้บรรลุอรหัตผลก็ ข, ขอ ปฏิสัมพิทปัป ต, ตะผู้บรรลุปฏิสัมพิทาสี่คือได้ปัญญาแตกฉานสี่ประการคือหนึ่งอัฏฐปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในอัถฐหรือปรีชาแจ้งเจนในความหมายสองธรรมะปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในธรรมหรือปรีชาแจ้งเจนในหลักสามเนรุตติปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในเนรุติ หรือปรีชาแจ้งเจนในภาษา 4. ปฏิพานปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในปฏิพานหรือปรีชาแจ้งเจนในความคิดทันการในคำพีวิสุทธิมัรและสัมโมหะวิโนธนีเป็นต้นกล่าวว่าผู้ได้ปฏิสัมพิทาสี่ไม่จำต้องเป็นอุปโตภาคาวิมุตติพระอรหันต์ประเภทที่สองพระอุปโตภาควิมุตติแปลว่า ผู้หลุดพ้นโดยส่วนทั้งสองคือหลุดพ้นจากรูปกายด้วยอรูปสมาบัติและหลุดพ้นจากนามกายด้วยอริยมรรคเป็นการหลุดพ้นสองวาระคือด้วยวิขำพนะข่มกิเลสไว้ด้วยกำลังสมาธิของฌาหนหนึ่งและด้วยสมุทเฉดตัดกิเลสถอนรากเหง้าด้วยปัญญาอีกห น, หนึ่งจำแนกได้ดังนี้กกพระอุปโตภาคาวิมุตตคือพระอรหันต์ผู้ได้สมถะ ถึงอรูปชาอย่างน้อยหนึ่งขั้นแต่ไม่ได้โลกิยะวิชาโลกิยอาอภิญญาข้อขอพระเตวิชาพระอรหันต์ผู้ได้วิชาสามคือพระอุปโตภาควิมุต tn ั้นผู้ดได้วิชาสามด้วยคือวิชาที่หนึ่งปุเพนิวาสานุสติญาญญาญเป็นเหตุระลึกได้ซึ่งขันที่เคยอาศัยอยู่ในก่อนแปลกันง่ายๆว่าระลึกชาติได้ วิชาที่สองจุตูปปาตยานยานอย่างรู้การจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปตามกรรมถือกันว่าตรงกับทิพยจักขุหรือทิพยะจักสุกวิชาที่สามอาสวรกยญาณ ย, ยานอย่างรู้ในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายหรือความรู้ที่ทำให้สิ้นอาสวะพระอุปโตภากาวิมุตตประเภทที่สข้อคอพระจละพิญญะ พระอาหารหันต์ผู้ได้อภิญญาหกคือพระอปปโตภพาควิมุต้นผู้ได้อภิญญาหกด้วยคือ 1. อิทธิวิทาหรืออิทธิวิธิความรู้ที่ทำให้แสดงฤทธิ์ต่างๆได้สองทิพโสตญาณที่ทำให้มีหูทิพ 3. เจโตปริยญาณญาณที่ทำให้กำหนดใจคนอื่นได้คือถ่ายใจเขาได้ 4. ปุ่ปุเพนิวาสานุสติ ยานที่ทําให้ระลึกชาติได้ 5. ทิพ ป, ประจักขุยานที่ทําให้มีตาทิพหกอสวรรค์ขยายานยานที่ทําให้อาสวะสิ้นไปพระอุปโตภาควิมุตตประเภทที่สพระปฏิสัมพิทัปะป ะ, ะคือพระอรหันตอุปโตภาควิมุตตผู้บรรลุ ป, ปฏิสัมพิทาสีอย่างที่กล่าวแล้วข้างต้นเมื่อรวมเข้าเป็นชุดเดียวกันและเรียงลําดับตามชื่อที่ใช้เรียก พระอาหารหันต์ก็มีหกนามดังนี้ 1. สุขวิปัสสะผู้เจริญวิปัสนาล้วน 2. ปัญญาวิมุตต์ผู้หลุดพ้นด้วยปัญญาที่นอกจากสุขวิปัสสะ 3. อุปโตภาควิมุตต์ผู้หลุดพ้นทั้งสองส่วน 4. เตวิชชะผู้ได้วิ ช, ชาสาม 5. ฉลพินยะ ผู้ได้อภิญญาหกหปฏิสัมพิทัปั ต, ตะผู้บรรลุ ป, ปฏิสัมพิทาสีขอย้ำอีกครั้งว่าในบรรดาชื่อทั้งหนี้สุขาวิปัสสกะเป็นคำรุ่นอัตถกถานอกนั้นมีมาในบาลีเดิมพระอรหันต์องค์ใดเป็นทั้งฉละพิญญะและปฏิสัมพิทัปัตะย่อมเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนบริบูรณ์ครอบคลุมทั้งหมด จบบทที่เจ